ภาวนาด้วยทั้งฟังธรรมด้วยพิจารณาธรรมะตามไปเพื่อให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดการที่บุคคลจะเป็นผู้ไม่มีความรู้ความฉลาดก็ มันกคาความเกลียดลัดลนี่เองเมื่อมันเกิดความเก็ียดคลั่งขึ้นในใจแล้วมันไม่อยากรู้อะไรไม่อยากจำอะไรไม่อยากได้อะไรแต่มันก็อยากได้ความเกลีดคลัดงความที่ปล่อยใจของตนให้เลื่อนลอยไปตามกระแสะของกิเลส มีแ่มันอยากไปทางนั้นแนทางที่จะให้ทวนกระแสพิเลทเข้ามาภายในใจิตใจแต่จิตใจมันหยุดยัง้งหยุดคิดหยุดความปรารถนาอะไรต่ออะไรลงนี่มันถือว่าเป็นการยากลำบากเหตุผลจริงว่าคนเราจรึงไม่สามารถที่จะมี ความสุขความเจริญก้าวหน้าไปได้มีจะถอยหลังวกครองเป็นส่นมากดังนั้นพวกเราที่รู้สึกตัวมีศรัทธาแก่กล้าพอสมควรอย่างนี้แนละ้คก็อย่าเพิ่งท้อใจอาศัยศรัทธาความเชื่ออันนั้นะเป็นแรงผลักดัน กิจใจให้เกิดมุมาณะในอันที่จะต่อสู้กับกิเลสความทั่วร้ายในหัวใจที่ตนยังละมันไม่ได้ก็จะได้เพียรพยายามละมันด้วยความสามารถด้วยความอาทหานไม่ทำตนให้อ่อนแอความอ่อนแอมันก็เกิดจาก ความที่ใจหดโทใจไม่เบิกบานคนเราถ้าใจเสียสักอย่างเดียวแล้วเสียบทอะไรก็ไม่เบิกบานได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีนมจิตเป็นผู้นำดังนั้นพระบรมศ า, ศาสดาจึงได้ทรงสอนให้ฝึกจิตใจนี่ให้มัน กล้อาหารทานไทยมันตั้งมั่นโดยดีตั้งมั่นต่อกคุณงามความดีไม่ให้มันอ่อนเอไปตามก็เพิ่งเข้าใจความหมายของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เพระาะว่าตามปกติจิตใจของคนสามัญธรรมดาทั่วษไปมันก็ ไม่มีการรักษากันสุดท้ายกิเลสมันจะนำพาไปอย่างไรก็ไปอย่างนั้นเพราะว่าไม่รู้จักวิธีคมจิตสำมรวมจิตของทนและของตนดังนั้นน่ะมันจึงต้องยอมคุ้งแต่งไปตามอุปมาของกิเลสตัณหา วันนี้เมื่อเรามารู้อุมาวิธีฝึกจิตใจีนแล้วก็สมควรที่จะลงมือทำกันอย่าปล่อยเวลาให้ล่วงไปเสียเปล่าเพราะว่าความตายนี่มันไม่มีนิมิตเครื่องหมายบอกล่วงหน้าเลยว่าวันนั้นเวลานั้นเดือนนั้นปีนั้นจะตายอย่างนี้มันก็ไม่ไม่บอกเลย อันถึงเวลามาแล้วมันก็เป็นไปตามนัานแหละคือหมดลมหายใจนั่นเองนะด้นนานนั้งเราจะนิ่งนอนใจไม่ได้เมื่อพอได้รู้ตัวว่าไอ้ความตายน่ะมันมีจริงแล้วมันไม่บอกงงน่ายอย่างนี้เราก็เตรียมตัวทำที่พึ่งให้แก่ตนของตนเสียให้เต็มที่เลย เมื่อตอนคือดวงจิตนี่นะ่ะมีที่พึ่งอันดีงามมันคงแล้วทานนี้มันก็ไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายไม่หวั่นไหวเริ่มจะแต่เจ็บไข้ได้ป่วยสวยทุกขเวทนาไปก็รู้เท่าทัาน ทุกขวเวทนานั่นนั้นไม่ให้ทุกขวเวทนาครอบงมจิตใจได้นี่แหละการที่เราพระพุทธเจ้าสอนให้สั่งสมบุญสั่งสมคุณอันประเสริฐ ใ, ในใจก็เพราะว่าตนยังสั่งสมบุญคุณให้เต็มยังไม่ได้ ยังบกพ้องอยู่มากมายแล้วอย่างนี้เมื่อไม่ลงมือทาคือต่อไปเอกบุญกุศลความดีมันก็ไม่งอกงามเจริญขึ้นได้มีเท่าไหร่ก็อยู่เท่านั้นนี่แหละคนเราเกิดมามันจึงว่าไม่เหมือนกันทำไมตนก็หาเหมือนกันไม่เห็นร่ำรวย กระทั่งนี้ก็เพราะเหตุว่าตนได้ทำความดีไว้น้อยจตกก่อนนั่นเองนั่นจะไปโทษใครอยู่นั่นครูเขาลำรวยมากเขาก็ทำความดีมากเขาฝึกตนในเข้มแข็งต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆจนรุ่ลุ่งไปได้พอเงินทองเข้าของอย่างนี้มันต้องคว่าพันอุปสรรคก่อนมันจึงค่อยได้ ไม่ใช่ว่าจะไปหาเอาแต่ละสิ่งแต่ะอย่างมันจะได้หลับาพไปเลยโดยที่ไม่มีการต่อต้านคือไม่มีกิเลสหรืออุปสรรคต่า ง, งมาต่อต้านขัดขวางเช่นนี้ไม่มีอะไรเพราะนั้นการทำความดีมันจึงอยู่ที่เราุ่งหวัง ที่จะอาศัยคุณงามความดีนั่นเป็นกำลังใจต่อสู้กับกิเลสอันชั่วร้ายาต่างๆถ้าเราไม่มีบุญคุณเป็นกำลังใจและอย่างนี้มันใจนี้มันอ่อนแอเนะี่ยไม่คืมแข็งเลยดังนั้นนายอนรมณ์เสสิบเป็ พระพุทธเจ้าแสดงอารมณ์ที่ควรระลึกสิบประการนั่ะมีพุทธานุสติเป็นตน้นมีอุปสมานุสติเป็นที่สุดทำไมพระ อ, องค์จึงสอนให้ระลึกพอที่ทรงสอนให้ระลึกก็บอกเหตุว่าบุคคลยังไม่มีที่พึ่งกำลังใจยังอ่อนแออยู่ เพราะฉะนั้นฮะจึงได้ทรงสอนให้เลิกถึงคุณทั้งหลายดังกล่าวมานั่นให้บังเกิดขึ้นในใจเต็มที่แล้วเมื่อใจมีบุญมีคุณเป็นที่พึ่งอยู่แล้วมันก็เข้มแข็งมันเป็นอย่างนั้นสามารถต่อโทษกับอุปสรรคต่างๆได้เต็มที่ ราะชีวิตนี่มันเต็มไปด้วยอุปสรรคนานาประการเกิดมาแล้วนะ่ะอุปสรรคที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันก็ได้แก่ความแก่ความเจ็บความตายอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแต่อุปสรรคอย่างอื่นยังพอหลีกเลี่ยงได้ เขาต้องม้เข้าใจอุปสรรคทั้งสองอย่างอย่างหนึ่งได้แก่ความแก่ความเจ็บความตายอันนี้ทรงสอนให้รู้เท่าตามเป็นจริงแล้วอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายเนื่องจากร่างกายนี้ไม่เที่ยงม่ายืยนเมื่อถึงขามันจะแตกกระดับแล้ว มันก็มีอันแปลผันไปอย่างรุนแรงกระทบกับจิตนี่ทำให้จิตนี่เป็นทุกข์เดือดร้อนรวนไว้เมื่อบคุคคลใดมามันระลึกถึงคุณพระพุทธเจา้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณทานคุณสิ้นโมนีน่ะเป็นอารมณ์อยู่เสมอเสมอ จนให้พระคุณเหล่านี้บังเกิดขึ้นในใจเขาตนได้แล้วจะทำให้ใจนั้นหนักแน่นเบิกบานไม่หยวไม่หูเหยวอะไรเลยอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นคนเรามันต้องมีกำลังเข้มแข็งมันยึงต่อสู้อุปสรรคต่างๆได้ เมื่อใจมันแน่วแน่มันตั้งมั่นแล้วมันก็พิจารณาเห็นว่ามันไม่มีคนแก่คนเจ็บคนตายร่างกายอันนี้นะเป็นเปรีภพสมมุติเฉยๆว่าคนว่าสัตว์แต่ทั้งแต่ถ้าพิจารณาโดยพรุทธธรรมคือทำมันยิ่งแล้วมันไม่มีสัตว์ไม่มีคนอยู่ในนี้เลย ดวงจิตที่อาศัยอยู่ในร่างกานี้เราดวงจิตนี่มันก็เป็นแต่สักาะดวงจิตเราเพ่งดูดีๆก็รู้ได้ถ้าดวงจิตนี่เป็นของตอนจริงมันก็บังคับได้สิมันบังคับกายนี่ก็ได้สิไม่ให้มันแตกมันดับทํรลายไปเลย ถ้าดวงจิตนี่มีมีอนุภาพมากจริงๆแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นนี่ดวงจิตนี่ก็มาอาศัยร่างกายนี้อยู่คนร่างกายนี่มันชำรุดทุดทรมใช้การไม่ได้แล้วก็ต้องออกหนีจากร่างกายนี่ไปหาเกิดอาศัยร่างอื่นไปต่อไปตามบุญตามกรรมที่ทำไว้เป็นอย่างนี้แหละ อูปมาเหมือนยงคนที่ทำบาเรือนอยู่ทีแรกก็ทำด้วยเสาไม้ไผ่มุงหลังคาด้วยหญ้าคาด้วยจากอันเป็นจริงไม่ท้าวรเเขามีทุนน้อยแต่มันก็จำใจต้องได้อยู่ดีกว่านอนนั่งนอนตากแดดตากฝนก็อาศัยไยไม่นานมันผุพัง แล้วก็จาเป็นแล้วจะออกจากเรือหนหลังนั้นไปเที่ยวหาเงินหน้าทองได้แล้วก็คิดสร้างเรือได้ดีกว่าเก่ามันคงกว่าเก่านิดหน่อยอาศัยไปพอไม่นานมันก็สำลักทสุดโทรมไปในนี้พอเตรียมตัวหาเงินหน้าทองสร้างบ้านต่อไปไหม จ น, นกลัวว่าจะได้สร้างบ้านถาวร อ, อยู่อาศัยนั่นแหละมันจิงในยุติการสร้างบ้านสร้างเรือนไปที่อาศัยอุปมานี่ฉันใดก็อย่างนั้นแหละบุคคลเมื่อรู้ว่าตนมีบุญ น, น้อยวาสนาอนวาสนาน้อยอย่างนี้แหละก็พยายามทำกุศลกุญรามความดีให้เจริญขึ้น เพื่อจะได้สร้างรูปร่างกายอันนี้ให้จิตได้อาศัยดีงามและยั่งยืนอยู่นานพาอสมควรอย่างนี้อย่างที่ท่านกล่าวไว้ในตำราคนบางยุคบางสมัยอายุยืนตั้งหมื่นปีแสนปีหลายแสนปีก็มีไออย่างนี้นะเพราะอะไรเล่าเพราะคนสมัยนะั้น ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันสร้างแต่บุญแต่กุศลคุณงามความดีให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ผู้ใดสร้างบุญกุศลได้มากไหมาสายประการอย่างนี้ตายแล้วไปเกิดสวรรค์จากสวรรค์มาเกิดมนุษย์โลกอันนี้บุญกุศลมันยังอยู่มันก็อำนวยผลให้มีอายุยั่งยืนนาน หลายหมื่นหลายแสนปีอย่างนี้แหละคนเราถ้ามีที่พึ่งมีบุญกุศลอันดีงามซะแล้วถึงแม้จะในท่องเที่ยวอยู่ในวัฏจักรสงสารนี่มันก็มีที่พึ่งไปอยู่ได้ความอุ่นใจแล้วเมื่อไม่ได้ทำบาปกรรมมันชั่วช้าเล้วซามใส่ตัวเองไว้เมื่อไม่มีกรร ม, มา อำนวยผลให้ในระหว่างแล้วผู้นั้นก็มีความสุขสม่ำเสมอไปไม่ไม่ได้รับความทุกข์เป็นขั้นเป็นตอนเพราะว่าอยู่ในปัจจุบันในกตละความชั่วนั้นเสร็จแล้วไม่ทำบาป้านาสีบาตเป็นต้นตลอดถึงสุราเมรัยเป็นที่สุดไม่ทำไม่ล่วงเกิน เช่นนี้มันก็ทำให้ผู้นั้นเป็นผู้มีความสุขสม่ำเสมอไปได้นานก็ยังดีกว่าบุคคลผู้มีบาปกรรมติดตัวมามาเกิดในโลกนี้แล้วบาปกรรมนั้นอำนวยผลให้มีความทุกข์เป็นระย ะ, ะยะไป และไม่รู้จกักไม่รู้จักทางออกจากทุกข์เสียด้วยมีแต่ล้องโวรคางอยู่เฉยๆเช่นนี้นี่ผู้นั้นก็จะต้องหอบเอาทุกข์ติดตัวไปด้วยแหละละโลกนี้ไปสู่โลกหน้าก็ดีมันไม่มีอุบายปัญญาสอนจิตให้พงให้วางอะไรเลยอย่างนี้นะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่า ปัญจุปาดานักขันธาดูฆ่าอย่าง น, น้ความที่จิตใจมันยึดถือเอาขันห้านี้ว่าเป็นตัวเป็นตนนะีมันเป็นมหาทุกข์เป็นทุกข์ใจดังนั้นต้องเพียรพยายามปรงพยายามวางขันห้านี่ลงไว้เสมอๆในการภาวนา เมื่อเราปรงขันห้าวางขันห้าในลงได้เท่าใดความทุกข์ทางใจมันก็เบาลงไปเท่านั้นมันเบาบางลงไปขอให้พากันเข้าใจความหมายของการปฏิบัติธรรมก็เพื่อบรรเทาทุกข์ทางใจนี่โดยตรงเลยส่วนร่างกายนั้นเราบำรุงด้วยอาหารการบ ร, ริโภค ด้วยหยุดยาแก้ไขในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแมันมีที่พึ่งอยู่แล้วร่างกายนี่นะแต่ว่าถึงจะมีที่พึ่งอย่างไรมันก็ไม่ฟังการแตกการดับจิตใจนี่ถึงไม่จะไม่แตกไม่ดับแต่เมื่อมาอาศัยอยู่ในรูปร่างอันไม่เที่ยงมายังยืนอย่างนี้มันก็คอยแตกคอยดับไปตามร่างกายแต่ว่าจิตใจนี่ ไม่ไม่ศูญเปล่าเหมือนกับร่าง ก, กายคือว่าถึงมันไม่มีรูปร่างแต่ว่าเมื่อสั่งสมบุญกุศลเข้าไปแล้วมันสามารถทนทุกข์ไปได้โดยลำดับไม่เหมือนร่าง ก, กายร่าง ก, กายนี่ถึงจะแม่แม่จะบำรุงผลเปลอมันให้อยู่ดีกินดีสักเท่าไหร่มันก็ไม่ ย, ยั่งยงืน วันคืนล่วงไปล่วงไปไม่ใช่ล่วงไปแต่วันคืนแม้อัตภาพรางกายชีวิตนี้ก็ล่วงลอยไปโดยลำดับไม่ยังยืนเลยร่วงลอยไปหาความแตกดับนั่นเองเพราะฉะนั้นทุกคนต้องอพิจารณาให้มันเห็นเมื่อเห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้แล้ว ก็จะไม่ประมาทพยายามฝึกจิตนี้ให้ตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณด้วยดีฝึกจิตนี้ให้มันเฉลียวฉลาดมีปัญญารักษาตัวให้ได้รักษาจิตดวงเดียวนี่แหละอย่าให้มันหลงไหลไปตามอำนาจของกิเลส แล้วมันทุกดีไปหมดทุกอย่างเลยเช่นอย่างว่าคนเราเมื่อรักษาจิตใจไม่ให้โมโหโทโสขยบาตจองเวนไข่ในปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้เบียดเบียนไข่ให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเลยแล้วกับทางพนาันธจิตใจก็ไม่ได้ปูกจะใจเก็บกับไข่ไว้ นี่แต่จเจริญเมตตาเผื่อแผ่เสมอไปอย่างนี้ถ้าผู้นั้นน่ะเกิดไปชาติหน้ากรรมเวรอันเกิดจากมโมโหโทโธนี่ก็ไม่มีก็ไม่มีกรรมเวรอะไรที่จะติดต่อห้อยตามอำนวยผลให้มีคนอื่นมาเบียดเบียนต้นมายื้อแย่งเอาสมบัติเข้าของเงินทองไปอย่างนี้นะ่ะไม่มี เพราะมันเราไม่ได้สั่งสมกรรมเวรทั้งชั่วร้ายทั้งหลายไว้แต่ในปัจจุบันนี้แล้วเพราะฉะนั้นไปถึงแม้จะไปเกิดในโลกหน้าต่อไปมันจึงไม่มีความวิบัติในร่างกายอันนี้นะอยู่ไปก็มีความสุขสาลานไปกินก็ได้นอนก็หลับมีกำลังเลี้ยวแรงหาเงินหาทอง มีกำลังเนี่ยแรงทำบุญกุศลไห้พระภาวนาจำสินได้เต็มที่เลยบุคคลผู้มีกรรมเวรอะังที่เราเห็นแล้วมีร่างกายทุกคนรับภาพทำบุญกุศลความดีอะไรก็ไม่ได้แม้จะหาเงินทองเข้าของอันเป็นทรัพย์โรกีก็ไม่ได้ เพราะร่างกายไม่สมบูรณ์ทำการงานอะไรให้เข้มแข็งไปก็ไม่ได้นี่แหละแนะนำให้รู้ให้เห็นว่าไอ้คนมีลกอำนาจแก่โมโหโทโสแก่ความโลภความโกรธความหลงมมนี่มันเป็นตัวกรรมนำสนองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปในภพในชาติ จริงๆดังที่เราก็เห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี่แหละแต่ผู้ใดไม่ได้พิจารณาหากไม่รู้ไม่เห็นเท่านั้นเองถ้าพิจารณาก็รู้เห็นได้ว่าคนบางคนบางพวกมีร่างกายทุกพพลภาพไม่สามารถจะหาเลี้ยงตัวเองได้มีเยอะแยะเลยแต่ทุกวันนี้รู้มรัฐบาลเก็บเอาไปเลี้ยงไว้ พอพอประทังชีวิตพอถึงวันตายก็ตายไปอันนี้นับว่าผลแห่งบาปกรรมเน่ยมันแสดงออกให้ชัดเจนเลยเห็นได้อันนี้ผลแห่งบุญกุศลก็คงกันข้ามอีกเลยทำให้ร่างกายสมบูรณ์ทำให้จิตใจมีสติปัญญาสมบูรณ์ด้วยโอกระพับสมบัตินานาประการ ตลอดถึงธรรมสมบัติคุณมีคุณธรรมอยู่ในใจคุณธรรมได้แก่เมตตากรุณาและถ้าว่าอย่างสูงก็ได้แก่ปัญญาเนะี่ยปัญญาได้ซึ่งว่าเป็นคุณธรรมมันสูงการที่บุคคลได้เกิดมาในโลกนี่แล้วเป็นผู้คุ้มครองอรมตนให้ปัญญาเกิดขึ้น ผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้วิลาภอันดีเพราะบุคคลจะเอาตัวรอดจากทุกข์ไปได้ก็เพราะปัญญานี่เองนะมีปัญญาเน่ถึงหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้มีปัญญารู้จักสอนใจของตนให้ละเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์นั่นมันก็ไม่ใช่อื่นไกลอะไรหรอก ความอยากในหัวใจนี่เองเนี่ยความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรถเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักไร่พอใจต่างๆหมู่นี้นะ